เหตุทุกขะยี่สิบอัชชะตติกะหนึ่งอัชตะตบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกไนเหตุปัจใจห้าร้อยเก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตน อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระย่อห้าร้อยสิบเหตุตปัจมีเก้าวาระอาริมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระละถึง กรรมปัจจัยมีฆ่าวาระวิปากปัจจัยมีฆ่าวาระมหาราปัจจัยมีฆ่าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระยอ่อนเหตุ ป, ปัจจัยเป็นต้นห้าร้อยสเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้เ น, เ, เ, น, น, น เ, พเพราะนนเหตุ ป, ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตน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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม <mentation> ่เป็นเหตุซึ itions, ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะณอารรมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยย่อห้า้อยสิบสองนเหตุกปัจจัยมีสองวาระณอารรมณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยมีสามวาระ นาสมณันตระปัจจัยมีสามวาระนาอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระนาอุปาณิเสยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมี9้าวาระนาปัจฉาชาตะปัจจัยมี9้าวาระนาอาศวณปัจจัยมี9้าวาระนากรรมปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณจารณะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมยุญตปัจจัยมีสามวาระณวิปุญตปัจใจมีเก้าวาระณนัธิปัจจัยมีสามวาระโณวิขตะปัจจัยมีสามวาระย่อณอารามณปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อพึ่งขยายสหชาติวาระ ปัจยวาระนิจยว า, าวาร ะ, ะสังสัทวาระและสัมยุญตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจัวาระหนึ่งอาเชตบทเจ็ 7. ปัญหาวาระปัจจยะจตุกนยัยเหตุปัจจัยเป็นต้นห้าร้อยสิบสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนโดยทิปฏิปจัปจปจัยมีสองอย่างคืออรารมนาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนโดยทิปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติมีสามวาระย่อห้าร้อยสิบสี่ เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอานันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสหชาติปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิเสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปานิเสียปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจชาชาตะปัจจัยมีสามวาระ อาเศวณะปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีเก้าวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีเ้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีเ้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระนติปัจจัยมีเ้าวาระ วิคตาปัจจัยมีฆ่าวาระมาวิคตาปัจจัยมีฆ่าวาระย่อปัจจน尼ยุทธะห้าร้อยสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายในตนโดยอารมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยะปัจจัยยอ่อห้าร้อยสิบหกแเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระ ณอารามณปัจจัยมีห้าวาระย่อณอารามณปัจจัยกับเหทุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณปัจจัยกับนเฮตุปัจจัยมีห้าวาระย่ อ, อ, จจยจจยยอพึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลเิกะที่นับไว้แล้ว 2. พระหิตทาบทหนึ่งปฏิจจวาระ ปัจจะยะจะตุกนัยเหตุปัจใจห้าร้อยสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้น Tool เพราะเหตุปัจจัยย่อห้าร้อยสิบแปดเหตุปัจจใจมีกล่าวาระอารณมณปัจจใจมีกล่าวาระละถึงก ร, รมมปัจจัยมีกลาวาระวิปากปัจจัยมีกลาวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีกลาวว่าย่อนเหตุกปัจใจห้าร้อยสิบ้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะนเหตุกปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนเกิดขึ้นเพราะนเหตุกปัจใจย่อห้าร้อยยี่สิบ นัเหตุปัจจัยมีสองวาระนั่นอรมณปัจจัยมีสามวาระนัอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระนัอนันตระปัจจัยมีสามวาระนัสมนันตระปัจจัยมีสามวาระนัอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนัอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระนัปุเรชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนัปัจฉาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนัอาศัณนปัจจัยมีเ้าวาระ นักรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีห้าวาระนอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียยปัจจัยมีหนึ่งวาระนัฌานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนักมฆะปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนนัิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระย่อ เนืาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณปัจจัยกับนืเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหาชาตะวาระปัจจะวาระนิจฉ า, าวาระสังสทัตวาระและสัมยุญตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระ 2. พระหิตธาบทเจ็ปัญหาวาระปัจจะจตุกนยัยเหตุปัจจัยเป็นต้น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 โดยธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณธาทิปติและสหชาตาทิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนเป็นปัจัจแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณนาทิปติและสหชาตาทิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตน เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณะที่ปฏิมีสามวาระย่อห2 2เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจชาชาตะปัจจัยมีสามวาระ อาเจวะปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีห้าวาระมหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีห้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระย่อปัจจนิยุทธาระ ห้าร้อยยี่สิบสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นภายนอกตนโดยอารมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปนิเสยปัจจัยยอ่อห้าร้อยยี่สิบสี่ณเหตุ ป, ปัจจัยมีห้าวาระณนะารมณปัจจัยมีห้าวาระย่อณารมณปัจจัยกับเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระยอ่อ อารมณปั จ, จัยกับนเฮตุปัจใจมีข้าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศละิกะที่นับไว้แล้วย่อมไม่ได้อาชิตะพิิธาธรรมเหตุทุกะและอาชิตะเกระจบ ตทุกละยี่สิเอ็ดอาชะ ต, ตารมณะตูกะหนึ่งอาชะตารมณะบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปจัจใจห้ารอยยี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ม่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์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 อธิปฏิปัจจัยมเฝ้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมเฝ้าวาระยอ่ออน้าเหตุ ป, ปัจจัยและหนอธิปฏิปัจจัยห้าร้อยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์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 นาปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระนาอาศัยวนาปัจจัยมีห้าวาระนากรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากาปัจจัยมีห้าวาระนาชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะาปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระย่อนาธิปติปัจจัยกับเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนาเหตุปปัจจัยมีสองวาระ ยอพึงขยายสหชาตะวาระปัจยวาระนิเสยวาระสังสัถาวาระและสัมปยุตตวาระให้พิจารเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งอาชะตาระมณบทเจปัญหาวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจห้ารอย5ี่สิบเก้าสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยย่อห้าร้อยสาสิบเหตุปัจจัยมีสามวาระอระมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระอาเสวุณปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีห้าวาระ มหาระปัจจัยมีสามวาระ our, อินทริยปัจจัยมีห้าวาระฌานะปัจจัยมีสามวาร ะ, ม, ะาจจมัาารค ะ, ะ, ะ, ะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อปัญญายุทธาระห้าสาอสภาวธรรม ท, ที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรม ท, ท, ที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอรมณะปัจจัย สหชาติปัจจัยและอุปนิเสสะปัจจัยยอ่อห้ารสสองณเหตุ ป, ปัจจัยมีห้าวาระณอารมณปัจจัยมีห้าวาระยอ่อณอารมณปัจจัยกับเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่อพึงนัดเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจ尼ยอนุโลมะปัจจ尼ยะและปัจจ尼ยะนุโลม แห่งปัญหาวาระในขุสรตึกะที่นับไว้แล้ว 2. พระหิทธารมณบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจยะจตุกนาอเหตุปัจใจห้า้ยสามสาสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อห้า้อยสาสิบสี่ เหตุตปัจจัยมีก้าวาระอารมณ์เนี่ยปัจใจมีกล่าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีก้าวาร ะ, ะจจย่าาะยอนเหตุตุปัจใจห้าร้อยสามสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจจัยย่อห้าร้อยสามสิบหกณเหตุตุปปัจจัยมีสองวาระ เนธิปติปัจ <West> จ <everywhere. S 1> ัยมีฆ่าวาระละถึงเนปุเรชาตาปัจจัยมีฆ่าวาระเนปัชชาชาตาปัจจัยมีฆ่าวาระเนาเฉวนาปัจจัยมีฆ่าวาระนักกรมะปัจจัยมีสามวาระนัวิปากาปัจจัยมีฆ่าวาระนัฌานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนัวิบิยุตตาปัจจัยมีฆ่าวาระย่อ ณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระยอ่ออรมณะปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีสองวาระยอ่อพึงขยายจหชาตะวาระปัจ ย, ว า, ยว า, าวาระนิสยวาระสังสัทวาระและสมยุตตะวาระให้พิจาราเหมือนกับปฏิ จ, จัวาระสองพระหิทธารมณบทเจปัญหาวาระปัจยะจตุกนยัย เหตุปัจจัยเป็นต้นห้า้สาสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป yep ็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยมีห้าวาระ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 สหชาตาธิปติมีสามวาระยอ่อห้ารเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระอเนนตระปัจจัยมีเ้าวาระและถึงภูปิณิเสียปัจจัยมี9้าวาระอาจะวะนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระ มหาระปจจัยมีสามวาระอินทรียปปจจัยมีก้าวาระชาณะปจจัยมีสามวาระมัคคะปจจัยมีเก้าวาระสมยุตตปัจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตตะปจัยมีเก้าวาระย่อปจนียุทธาระห้าร้อยสามสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งมีทางภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาินียปัจจัยย่อห้าร้ยสี่สิเหตุปัจจัยมีเ้าวาระนอารมณปัจจัยมีเ้าวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเ้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะ อนุโลมมะปัจจิญะและปัจจญญานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสระเิกะที่นับไว้แล้วเฮ hey, ตุทุกะและอาจชะตารมณตเถิกะจบหนึ่งเฮตุทุกกะยี่สิบสอง สนิทัศนะสัพติฆะติกะห น, นึ่งอนิทัศนะสัพติฆะบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้นห้าร้อยสี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเ พ, นเพราะเหตุปัจจัยเพราะอธิปติปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัย เพราะอัญญมัญญปัจจัย <UC> เพราะนิสยปัจจัยเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหาระปัจจัยเพราะอินทริยปัจจัยเพราะฌานะปัจจัยเพราะมัคคปัจจัยเพราะวิปิวตตปัจจัยเพราะอัติปัจจัยเพราะอวิคัตปัจจัยสุทไนัย542เิหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอัติปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระ ชาชาติปัจจ um pues mm nah in ัยม <yr> ีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระ มวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อห้าร้อยสี่สิบสามนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระพึงเพิ่มปั จ, จัยทั้งหมดละถึงโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่ 1. อหนึ่งอนิทัสนะสัพติกะบทเจ็ดปัญหาวาระปัญยะจตุกนัย ชหะชาตปัจจัยเป็นต้นห้าสสิสสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยสหชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ สองอนิทัศนะอปะติขะบทหนึ่งปฏิจาวาระรัปฏิยะจตุกนยัยเหตุปัจใจห้า้อยสี่สิห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ อาศัยสภาวธรรมที่ไม erm ่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อห้า้อยสี่สิหกเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารามณปัจจัยเมกาวาระละถึงกามปัจจัยเมกาวาระวิปากปัจจัยเมกาวาระอาหา ร, ปจจ า, า, ร า, าปัจจัยเมกาวาระและถึงอวิคตะปัจจัยเมกาวาระย่อนเหตุปัจจัยและนอธิปติปัจจัยห้าร้อยสี่สิบเจ็ดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ อาศ <bilmiyorum. S 1> ัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซ <tam> ึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนเหตุตกปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนั่นอรมณปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะนะืนะนอะะนะธิปฏิปัจจัยย่อ548เนื้อเหตุตุปปัจจัยมีสองวาระเนือารมณปัจจัยมีสามวาระเนือธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึงเนืปเรชาตตปัจจัยมีห้าวาระเนะื้อปฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระ นาอาศัยวะนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมบยุตตปัจจัยมีสวาระนวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนนัติปัจจัยมีสวาระโนวิคตะปัจจัยมีสมวาระ ย่อณอารมณะปั จ, จัจขับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยขับนเหตุปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายสหาชาติวาระปัจยวาระนิฉยวาระสังสัทวาระและสัมยุตตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระ 2. ออิทัศนะอปัติภาบด7ปัญหาวาระ ปัจยยะจตุกน um ัยเหตุปัจจัยเป็นต้นห้า้อยสี่เกสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอารมณ์ปัจใจมีเก้าวาระ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออ ร, รมนานะทิปติและสหาชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออรมานาธิปติ และสหชาตาทิปติมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาทิปติมีสามวาระยอ่อห hey, ้าร้อยห้าสิบเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอระทิปติปัจจัยมี9้าวาระ อนันตรปัจจัยมีเก้าวาระสมณันตระปัจจัยมีเก้าวาระชาติชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสัยปัจจัยมีเก้าวาระอุปาณิสัยปัจจัยมีเก้าวาระบรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระอาศัยวะนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระ มหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสมัยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระนัตติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจ ني ยุทธาระ ห้าสบอดสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้โดยอรรมณะปัจจัยสหชาตตปัจจัยและอุปัณิสยาปัจจัยย่อห้ารอห้าสิบสองณเหตุปัจจัยมีกลาววาระณอรรมณะปัจจัยมีกลาววาระย่อณอรรมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ ยอ่ออารมณะปัจใจคำนั้นเหตุปัจใจมีกลาววาระยอ่อพึงนักเหมือนอนุโลมปัจจนินยะอนุโลมะปัจจนินยะและปัจจิียานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลปิกะที่นับไว้แล้วเหตุทุกกะและชนิทัศนะสัพพิคาตุกะจบ เหตุกะทุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งกุศลบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัย่อสองเฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยาปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสยาปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ มายวณะปัจใจมีหนึ่งวาระระมะปัจใจมีหนึ่งวาระมหาระปัจใจมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจัยมีหนึ่งวาระย่อปัจนิยะณอาิปติปัจจัย 3. สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนอาธิปติปัจจัย่อสี่ณอาิปติปัจัจมีหนึ่งวาราะ ณปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาสวณปัจจัยมีหนึ่งวาระณกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยกับณอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระ ปัจยวาระนิสยวาระสังสัทธวาระและสัมยุญตาวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งอุสละอดเจปัญหาวาระปัจยจยะจตุกนยัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยาสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอารมณปัจจัยย่อ 6. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระ โอปานิเสสปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระรมปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคราปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอัติปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ยอ่อปัจจนิยุทธาระเสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอรมณะปัจจัยสหชาตตปัจจัยและอุปาเสียปัจจัย 8. ปณเหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจปปจัยมีหนึ่งวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเพื่ตุปปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ อารามณปัจใจกับเนเหอตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญจิยะอนุโลมปัจญจิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสลติกะที่นับไว้แล้วสองอคุศลบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจญยะจะตุกระในเหตุตุปัจจัยและอารามณปัจใจเก้สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอคุศน อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจใจสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศล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 อนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมรรคปัจจัยมีห้าวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระอาเสวะนปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระมหาราปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจจัยมีห้าวาระ ชาณปัจจัยมีห้าวาระมัคราปัจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระนณะติปัจจัยมีห้าวาระวิคตะปัจจัยมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจัยสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเันเหตุ ป, ปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยย่อ 12. บนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระนัปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระนอาศัวณปัจจัยมีห้าวาระ นกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปลากระปัจจัยมีหวาระนวิปิยุตกรปัจจัยมีห้าวาระย่อนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายจหชาติวาระปัจจยาวาระนิจยวาระสังสัทวาระและสัมปยุตตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจาวาระ สอกุศลปด 7. ปัญหาวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้น 13. สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุและที <wore> ่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยรมณัปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยธิปติปัจจัยมีสองอย่าง คเพรามนาธิปติและสหชาตาธิปติย่อ14เหตุป um ัจจัยมีสองวาระปรมณปัจจัยมี9้าวาระมาทิปปติป nor, ัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมี9้าวาระสมณันตระปัจจัยมี9้าวาระสหชาตาปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสยาปัจจัยมีห้าวาระอุปาณิสยาปัจจัยมี9้าวาระ มาเสวนาปัจจัยมีห้าวาระปรมปัจจัยมีสามวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรีย์ปัจจัยมีสามวาระฌานาปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมำยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีห้าวาระนัตติปัจจัยมีเ้าวาระวิคตปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตปัจจัยมีห้าวาระย่อ ปเ จ, จนียุทธาระสิบห้าสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาณิเสสยปัจจัยยอ่อสิบหกเหตุปัจจัยมีกล่าววาระณ า, ารามณปัจจัยมีกล่าวาระย่อณารามณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระยอ่อ อารมณะปัจจัยกับนเหอตุปัจจัยมีสองวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจญจิยะอนุโลมะปัจญิยะและปั จ, จนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลตถกะที่นับไว้แล้วสามอภยากะตะบดหนึ่งปฏิจจาวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤ อาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอพยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระย่อสิบแปด เทตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระมาิปฏ <Africa> ิปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสี่วาระสาชาตะปัจจัยมี9ก้าวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีหกวาระและถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอายติวะณะปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมี9ก้าวาระวิปากปัจจัยมี9ก้าวาระ ละถึงวิปิวิตะปัจจัยเนียก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเมียก้าวาระย่อนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยสิบเก้าสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤตเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤต เกิดขึ้นเพราะณอารรถมณปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะหน้ารรถมณปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุและที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะณอารรถมณปัจจัยสภาวะธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิทธอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิ เกิดขึ้นพระน่ะอธิปติปัจจัย่อยี่สิบนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอารมณปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตรปัจจัยมีสามวาระนสมนันตรปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปาณิเสสปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระ นาอาศวณปัจจ well, ัยมีห้าวาระนกรรมปัจจ e ouais. ัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมมฆาปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนาทิปัจจัยมีสมวาระโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระ ย่อณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณะปัจจัยกับเน้อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจยะวาระนิสยวาระสังสถัวาระและสัมปยุตตะวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจาวาระสามอภยากะตะพดเจปัญหาวาระปัจยะจตุกนยัย เหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยยี่สิบเอดสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิตโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤตเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิตโดยอรมณปัจจัยย่อยี่สิบสองเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีสี่วาระ ที่ปฏิปัจจัยมีสี่วาระอนันตระปัจจัยมีสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสี่วาระสหชาตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสี่วาระปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระอายเสนณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระ วิปากปัจจัยมีสี่วาระอาหาระปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีสี่วาระชานะปัจจัยมีสี่วาระมรรคะปัจจัยมีสามวาระสำปรยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัติปัจจัยมีเจดวาระละถึงอวิคต ป, ปัจจัยมีเจดวาระย่อปจณียุทธาระยี่สิบสาม สภ า, าฤฤสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิโดยอารมณปัจจัยสหาชาตตาปัจจัยและอปุะปาณิเสยปัจจัยยอ่อ24นเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณนะอารมณปัจจัยมีเจ็ดวาระยอร่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระ ยอ่อพึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปัจจนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลตะกะที่นับไว้แล้วเสเหตุกะทุกะและกุศลติกะจบ